ก่อนที่นกจะหากินซะอีกตอนที่หลวงพ่อยังเด็กเนี่ยผู้ใหญ่ก็บอกว่าอย่าให้ตื่นที่หลังกานะต้องให้ตื่นก่อนกลากานี่มันเป็นสัตว์ที่ขยันหากินมากมันตื่นแต่เช้าคนเราเนี่ยถ้าตื่นที่หลังกานี่ก็ถือว่า ที่เกียดแล้วนะต้องตื่นก่อนแที่นี่นี่ก็ตื่นก่อนกานะเป็นชั่วโมงเลยตื่นแต่เช้านะก่อนกานย่หลายชั่วโมงตื่นมาทำอะไรนะเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยนอกจาก ล้างหน้าล้างตาหรือว่าอาบน้ำเพื่อให้ร่างกายเราสะอาดแล้วเนี่ยก็อย่าลืมจิตใจด้วยนะเราต้องชำระจิตใจให้ของเราสะอาดผ่องใสจะได้เป็นต้นทุนนะในการที่เราจะดำเนินชีวิตตลอดทั้งวัน ให้มีความสุขสำหรับใจยังไงแล้วก็มาสวดมนต์แต่สวดมนต์คนเดียวหรือว่าสวดมนต์พร้อมๆกันที่ศาลานี้ก็ได้นะแต่สวดมนต์พร้อมกันที่ศาลานีมันดีกว่านะมันไม่ใจตื่นไม่งงงเอาหานอนเพราะว่ามีเพื่อนๆมีครูบาอาจารย์ มาสวดด้วยการสวดมนต์เนี่ยนะมันถือว่าเป็นการทำให้เกิดสืบมงคล น, นะกับจิตใจของตัวขณ่ที่เราสวดมนต์เราก็น้อมใจนึกนะถึงแต่สิ่งดีงามสิ่งดีงามก็คือพระธนรมกายนึกถึงแล้วใจก็สะอาด ความอยากจะทำบาปความอยากจะทำชั่วเนี่ยมันก็กดถายไปใจเราเนี่ยมันมีคืสองตัวนะตัวดีกับตัวร้ายตัวดีก็คือความเมตตากรุณาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยากจะทำความดี สร้างบุญสร้างบุศลเนื้อตัวดีส่วนตัวร้ายนี่ก็ก็มีมกันอยู่ในใจเรามันก็เป็นตัวโกรธตัวเกลียดคอยจะชักชวนให้เราทำบาปเช่นรักขโมยหรือว่าไปทำร้ายทำร้ายสัตว์ทำร้าย คนที่อยู่รอบตัวเราที่เราโกรธที่เราเกลียดน่แหละที่ตัวร้ายเนี่ยนะถ้าเกิดว่าได้ยินได้ฟังหรือได้สวดถึงพัฒนนัดไกลมันก็ฝ่อไปได้นะมึงกับผีเนี่ยพอเจอพระนี่ก็ยอมแพ้ ตัวร้ายนี่ก็จะเหมือนกับจะเรียกว่าเป็นผีก็ได้นะผีในใจเราผีกิเลสนั่นนะพอเราสวดมนต์นะไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวเราสวดด้วยปากพูดใจก็ว่าตามน้อมติดตามไปด้วยมันก็เป็นอาหารเป็นกำลังให้กับตัวดี ส่วนตัวร้ายนะในใจเราก็พ่ายแพ้หลบหนีหไปอันนี้เราก็ว่าเป็นการชำระใจให้สะอาดนะทําให้ใจเรามีความขาวขาวสะอาดพอตัวร้ายเนี่ยมันมันทําให้ใจดําำคนใจดําเนี่ยเพราะว่าหมายถึงคนที่ไม่มีน้ําใจ เห็นแต่ตัวอันนี้เพราะว่าตัว้ายนี่มันคลองงำใจใจก็เลยดำแต่ถ้าเราสวดมนต์ฟังธรรมหรือว่าทำสมาธินะใจเราก็เป็นบุญก็เรียกว่าใจขาวใจสะอาดนะอันนี้เรียกว่าการชำรชนะใจ แต่ถ้ามามันนั่งตรงนี้พ้ะสวดไม่ชีสวดแต่ว่าเรานั่งหลับนะมันก็ได้ประโยชน์น้อยนะมันก็ยังไม่ใช่เป็นการชำระใจให้เผาสะอาดเท่าไหร่ไ่้กางสวนมนเนี่มันทำให้เรามีของดีด้วยนะทำให้ใจเรามีของดีเป็นของดีที่ช่วยรักษาจิตใจของเรา ไม่ใช่แค่ขาวสะอาดเท่านั้นนะแต่ทำให้จิตใจเรามั่นคงปลอดภัยเป็นของดีที่คุ้มปกป้องรักษาชีวิตเราให้ปลอดภัยได้ด้วยมาพัฒนาใจนี่ถ้าเราเลิกนึกถึงเอาไว้อยู่เสมอเวลามีอันตรายมีปัญหาเนี่ยมันก็ทำให้เรารอดพ้นอจอากอันตรายได้ ทำมาจิตใจเรามั่นคงทำอะไรก็ถูกต้องและทำให้ผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นปัญหาได้ด้วยดีพระสมัยก่อนเนี่ยนะท่านก็อาศัยพระตนัดใจนี่นแหละเวลาจะออกทุดงไปไหนแต่ก่อนพระเนี่ยนะชอบอยู่ป่านะ ถ้าชอบอยู่ป่าถึงแม้ว่าอยู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านก็ก็ต้องหาทางเข้าไปอยู่ในป่าเขาเรียกชุดดงชุดดงที่ริงชุดดงเนี่ยมันเป็นเครื่องฝึกนะเป็นเครื่องฝึกให้เป็นคนอยู่ง่ายสันโดษเป็นเครื่องขัดเกากลา อูง่ายยังไงก็เช่นว่าชั้นอาหารวาลลามือนี่ก็เราทุดดงนะหรือว่านอนใต้โคนไม้ตอนโคนไม้ก็ทุดดงชั้นในบาปอันนี้ก็เราทุดดงนะหรือว่าไม่นอนเลยนะมีแต่ยืนเดินนั่งไม่มีการเอาหลังมาตั้มผัดพื้นก็ทุดดงแต่ทุดดง สมัยนี้เนี่ยเราก็นึกถึงการเข้าไปในป่าแต่พาสมัยก่อนนี่ก็ชอบเดินทุดงนะไปอยู่ป่าสมัยกอย่อนนี่ป่านี่มันมีเต็มทั้งประเทศเลยอยู่กรุงเทพนเนี่ ย, ยออกไปไม่กี่ออกไปไม่เท่าไหร่ก็เป็นป่าแล้ว แาวลังสิตนี่โอ้เขมีจะเรียกว่าเป็นป่า น, น้อยๆก็ได้ทิน mm. บ้านเราเนี่ยบ้านป่านเนี่ยนะพอไปออกไปไม่ถึงกิโลก็ป่าแล้วในป่าเ น, นี่ยนะมันมีอะไรนะมันก็มีอันตรายแต่ว่าพระนี่เขาไปในป่าเ น, นี่ยไม่ใช่เพื่อไปไปเจออันตรายนะท่านไปเพื่อไป หาความสงบสงัดเพราะว่าความสงบสงัดเนี่ยมันทำให้จิตใจเป็นสมาธิใจมีสมาธิใจก็จะแข็งแรงใจที่มีสมาธิจะเป็นใจที่แข็งแรงเข้มแข็งคนเราเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงได้ต้องออกกาลังกายใช่ไหยกน้ำหนักหรือว่า วิ่งแต่ว่าจิตใจเนี่ยถ้าจะแข็งแรงเนี่ยต้องทำสมาธิจิตจะตั้งมั่นแต่สมาธิเนี่ยวิธีหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไปอยู่ในที่ที่สงบสงัดจิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็วแต่ว่าในป่ามันก็ต้องมีอุปสรรคนะ ภูประสังนี่ก็คือความยากลำบากอาหารน้ำท่าก็อาจจะน้อยแล้วก็ จ, จะมีเชื้อโรคนะอาทีพน่ากลัวกนคือสิงสาราสัตว์เช่นช้างเช่นเสือหรือว่างูมีสมัยก่อนนี้มีเพียบเลยในป่าแต่ที่พูดลงนี้ยังมีเลยนะ ทางไม่มีลาสเสือไม่มีลาแต่มีมีมีหมูป่าหมูป่าเยาอะแยะเลยข้างบนเนี่ยมีงูไงงูนี่ก็ไม่ต้องไปอยู่ข้างบนเนยมันก็อยู่ไปทั่วแต่ก็กลัวคนนะแต่ว่าป่าสมัยก่อนเนี่ยนคนไม่ค่อยไปเท่าไหร่ก็มีแต่สัตว์เป็นเจ้าป่า พระสุงสมัยก่อนเวลาเข้าไปในป่าเนี่ยบางทีกำลังทำสมาธิอยู่ดีดดนะก็เจอของดีนันะอย่างหรวงปู่บุดานะท่านเล่าว่าหลวงปู่บุดยานี้ท่านก็มรณะภาพไปยี่สิบปีแล้วนะอายุทําเป็นร้อยหนึ่งร้อยปีพอดีตอนที่มรณะภาพ นอนหนึ่งผมนี่ก็ผู้ดงนะมีช่วงหนึ่งก็ไปก็ไปพักแรในในถ้ำนั่งสมาธิหลับตาจู่ๆก็ได้กลิ่นกลิ่นเหม็นๆกลิ่นสับสนแปลกๆปัญชาติเทียมันบอกเลยว่ามีอันตรายอยู่ข้างหน้า อยากจะเปิดตาดูนะว่ามันคืออะไรแต่ว่าไม่กล้าสังชาติยานคนนี่มันบางทีไม่เห็นนแต่รู้นะว่ามีสิ่งน่ากลัวอยู่ข้างหน้าฉันว า, ากลัวนะกลัวจนงระทั่งตัวแข็งเลยนะเนือออกเนื้อนีมันออกมาทันทีเลยนะพอกลัวเนะี่ยแต่ว่าฉันก็ตั้งสติได้ ระาที่กลัวนี่ก็ถามเปิดว่าถ้ากลัวถึงแม้ไม่เปิดตานะถ้าจะต้องตายเนี่ยมันก็ตายวันยังค่ำไม่มีทางหนีไปไหนได้อยู่ในถ้ำนี้ในเมื่อต้องตายนี่ก็ให้รู้ว่าข้างหน้าคืออะไรดีกว่า ที่แรกมันไม่อยอมเปิดตาเนี่มันก็เราไปดูหนังผีอ่เราว็าเวลาผีมาเราก็ติดตาก็ากลัวแต่ว่าใจนี่มันก็กลางไงก็เลยกูจ้าก็เลยเปิดตาขึ้นมาดูรู้นะว่ามันอาจจเป็นตายถึงตายแต่ว่าถ้าจะตายก็ขอรู้ว่าตายเพราะอะไรเปิดตาดูเจออะไรเจองูตัวใหญ่ มันชูคออยู่ข้างหน้าท่านว่าเนี่ยหัวมันเนี่ยเท่ากับมะพร้าวลูกงเงยนะหัวมันเท่ากับมะพร้าวเลยนะตาแดงนะแหลบสิ้นอยู่ห่างหน้าท่านประมาณเมตรประมา ณ, ป ร, มาณประมาณเมตรนึงชูขึ้นมาแล้ว ก, ก็กลัวนตัวแข็งเลยตกตะลึงว่าไม่เคยเจองูตัวใหญ่ขนาด น, นี้ แล้วก็มันทำท่าจะจะชกด้วยแต่ว่าท่านก็ตัง้งสติได้นะพอตั้งสีได้ก็ระลึกถึงอะไรอย่างแรกที่นึกถึงก็คือพรพผู้ประทประสงค์ระลึกถึงพระชนะใจก็ขอให้พระชนะใจใคุ้มครองแล้วก็ทำใจสงบ ความนี่คือเม่อราจในตะใจสงบเลยนะเหมือนก็มีความอุ่นใจพอสงบแล้วเนี่ยความกลัวมันก็หายไปแล้วก็พูดกับตัวเองว่าเออเราเมื่อมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยก็พร้อมจะตายแนละ้วขอพร้อมที่จะอุทิศชีวิตร่างกายนี้ให้กับให้กับงูตัวนี้ ยอมอถือว่าเป็นการทำบุญให้ให้เค้าไปตอนนั้นไม่คิดหนีเลยนะไม่คิดสู้้วย mm. ก็คือว่าถ้าจะตายก็ให้ตายตรงนี้แหละตายสงบตอนนั้นเรียกว่าปล่อยวางแล้วไม่มีความอะไรในชีวิต มันมันก็หลับตานิ่งนะไม่มีความกลัวไม่มีความเกลียดมันงูตัวนี้เลยพอว่างูมันก็ชูคอสักพักแต่หลวงปู่ท่านนิ่งมันก็เลื้อยออกไปในีสุดหลวงปู่ท่านลืมตายทีมันก็หายไปแล้วลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดคนเราเนี่ยกลัวขึ้นมานตื่นตกใจ พอลุกขึ้นจะหนีนะก็อาจจะโดนงูเนี่ยมันฉกได้เพราะงูมันไม่รู้ว่ามันกำลังทําอะไรแต่การวิ่งนะมันทําให้งูเนี่ยมันมันไม่กลัวมันไม่ตกใจนะบางทีงูมันทําร้ายคนเนี่ยเพราะมันกลัวนะเพราะมันตกใจนะมันไม่ได้คิดจะเบียดเบียนอะไรแต่เพราะคนไม่มีสติ ความนิ่งนี่สำคัญนะแล้วในยิ่งได้ก็ต้องมีสติจะมีสติได้ก็เพราะว่ามีการเลือกถึงพระจันาใจหลงปู่ท่านนึกนะหลงปู่ขาวนะหลวงปูกขาวท่านก็เดินทุ ด, ดงเหมือนกันนะภางเหนือภางเหนือนี่สัตว์ช้างเยอะมากคือหนึ่งเดินจงกลมอยู่ เดินเสียงระช้างร้องดังสนั่นเลยแล้วก็หักกิ่นไม้เสียงตรงมาที่ท่านไม่รู้ช้างได้กลิ่นยังไงนะเป็นช้างโทนด้วยก่อนท่านรู้ว่าช้างกำลังมาก็รีบจุดเทียนเลยนะจุดเทียนเป็นแนวรอบทางจงกลมกลัวก็กลัวนะแต่คิดว่าเนี่ย แสงเทียนนี่ก็คงจะช่วยสะกดไม่ให้เช้านี่มาทำร้ายท่านได้สักพักเนี่ยช้างก็มาตัวใหญ่มากว่าประจันหน้ากันเลยนะองปู่ขากลัวเหมือนกันแต่ท่านก็ทำใจดีใจสู้เดินจงกรมขาที่กลัวนี่ยก็ตั้งสติได้ ก็อธิษฐานนะขอให้พระสงฆ์ไตคุ้มครองและจิตท่านก็นึกถึงพุโทโธระหว่างที่เดินดรงลกนใจก็นึกถึงพุโทโธพุธโทโธคือพู้จิเจ้านนะีน่ตอนนั้นนี่ไม่ไม่สนใจช้างเลยนะสนใจแต่จดจ่ออยู่แต่พุโทโธแล้วก็บอกกับตัวเองว่า ให้จิตอยู่พุโทโธนี่แหละถ้าเกิดว่าจะต้องตายเพราะช้างกระทืมนะก็จะได้ไปสุคติหรือว่าอาจจะบรรลุนิพพานก็ได้คือท่านก็ยอมยอมตายเหมือนกันนะแต่ว่ารอที่ตายถ้าจะตายก็ขอยตายขณะที่จิตอยู่พุโทโธจิตเป็นสมาธิช้ามก็อยู่อย่างนั้นแหละมองเห็นคน ตัวเล็กๆ เ, เดินไปเดินมาสงบหนึ่งแต่แล้วสักพักมันก็เดินกลับไปทางเดิมก็เป็นนันว่าท่านรอดชีวิตมาได้ท่านก็เลยได้คิดว่าอ เ, เออเนี่ยนะคนเราเรามีอันตรายอะไรขึ้นมาเนี่หาว่าจิตเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับโพธิ์เนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรทําำอันตรายเราได้ นี่จึงบอกว่าพัฒนาใจจะเป็นของดีนะเป็นของดีที่เราควรน้อมเข้ามาใส่ใจน้อมเข้ามาใส่ใจอยู่บ่อยๆบ่อยๆเวลามียตรายจะได้เราลื่นนึกถึงได้รวดเร็วแล้วถึงด้วยเร็วเนี่ยจะทําให้เกิอดอะไรขึ้นมาจะไม่จิด ต, ตั้งมั่นจิตไม่กลัวจิตมีสติ พอจิมีสติแล้วจะทำอะไรมันก็ทำด้วยความระมัดระวังหรือว่าสามารถจะระงับความกลัวจนงรั่งจิตเนี่ยมั่นคงได้เรื่องที่เล่ามวาเนี่ยหลวงปู่ขากหลวงปู่ปัญญาก็ดีเนี่ยถ้าทำไม่มีสตินะกลัวลุกขึ้นวิ่งเกิดใจขึ้นนะงูมันก็ตาม ตกหรือแม้กระทั่งก็วิ่งไปเหยียบกระทืบได้เพราะความตกใจคนก็ตกใจสัตว์ก็ตกใจมันไม่คิ่จะกินเป็นอาหารนะเพราะมันไม่กินคนอยู่แล้วนะแต่ว่ามันตกใจมันก็เลยทําร้ายเวลาเมียนตรายขึ้นมาเนี่ยถ้าทําอะไรไม่ได้เนี่ยนิ่งเอาไว้เป็นดีที่สุดนิ่งเอาไว้ นิ่งได้เพราะอะไนิ่งได้เพราะมีสตินิ่งเพราะว่าจิตเนี่ยหรือถึงพัฒนาใจก็ทําให้มีสติหายกลัวคนเราเนี่ยยิ่งกลัวยิ่งอันตรายนะความกลัวเนี่ยมันเป็นอันตรายของมนุษย์ถ้าเราจะรอดจากอันตรายได้นต้องระงับความกลัวก่อน ยาการหรือถึงพาษนาใจเนี่ยพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ย ม, มันทำให้ความกลัวเนี่ยหายไปแล้วก็ปล่อยวางด้วยนะความกลัวเนี่ยมันกลัวตายนะแต่ถ้าเกิดว่าตั้งใจเออจะตายก็ตายพร้อมแล้วไม่อะไรในชีวิตเนี่ยกลับรอดนะยิ่งกลัวตายกับตายเร็วนั่จะไม่กลัว พร้อมความตายจะมาก็มาเลยกลับทำให้รอจากความตายได้เอาพวกเรานี่โชคดีนะที่ได้มีโอกาสรู้จักพระรันตนใจนะเป็นชาวพุทธก็พยายามน้อมใจนึกถึงพระรันตนใจบ่อยๆไม่ใช่เฉพาะเวลามีอันตรายเท่านะั้นนะแต่เวลาอยากจะทำชั่ว อยากจะผิดศีลเนี่ยก็เลยถึงพระสาตญาไว้ตอนที่เราอย่าทำชั่วอย่าผิดศีลเนี่ยตัวร้ายเนี่ยหรือว่าผีกิเลนเนี่ยมันกำลังคล้องลำจใจแล้วคือเราทำตามมันนะเราก็จะเดือดร้อนภายหลังไปขโมยเงินเพื่อนไปขโมยโทรศัพท์ของครูเรอไปยิงไปยิงนกไง อันนี้อมันเป็นบาปนะซึ่งจะทําให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจภายหลังแต่ถ้าเราถึงพระพุทตายเมื่อไหร่ไอตัวร้ายเหล่านั้นเนี่ยตัวผีกิเลสเนี่ยมันก็จะฝ่อไปมันก็จะเหมือนกับงูหรือช้างนะที่พอเรานิ่งสงบพอเราถึงพระพุทตายเนี่ยมันก็ล่าถอยไป จริงสมัยนี้นะคนเราเนี่ยไม่เคยได้เจอช้างไม่เคยได้เจองูหรืออันตรายแบบนี้เยอะนะอันตรายที่เป็นสัตว์เนี่ยมันมีน้อยนะหรือไม่มีเลยดูในเมืองเนี่ยไม่ต้องพูดถึงช้างไม่ต้องพูดถึงงูแบบนี้มันไม่เค่อยมีแต่มาจะมีอันตรายแบบอื่น เช่นรถลาข้ามถนนเนี่ยถ้าไม่มีสตินี่ก็โดนรถชนได้ขับรถมีสติก็เกิดอุบัติเหตุได้แต่ว่าอันตรายมันไม่ได้มีอยู่แค่นอกตัวเท่านั้นนะอันตรายบองคัมก็เกิดขึ้นที่น ใ, นใจเราเช่นอะไรบ้างนะเช่นความปวดความเกลียด ความเศร้าความเครียดมันเกิดขึ้นในใจเรานะ <c oughs> ก็ทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับคนสมัยนี้เครียดมากจนกระทั่งเป็นโรคประสาทก็มีหรือว่าโกรธมากจนกระทั่งเป็นโรคหัวใจนะ พวกเราเด็กๆอาจจะไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็ทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้เกิดความรุ่มร้อนในจิตใจได้อันนี้คืออันตรายนะของคนยุคใหม่คนยุคใหม่นี่ตายเพราะความเครียดนะตายเพราะความความดัน ตายเพราะโรคหัวใจตายเพราเซลล์ในสมองแตกนี่เยอะนะตายเพราะเมเร็งอันนี้มันเกิดจากความเครียดความความทุกข์ในใจนั่นทำให้มันเกิดขึ้นได้นะก็เพราะว่าไม่รู้จักทําใจให้เป็นสมาธิไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางคนเรานี่เดี๋ยวนี้ปล่อยนนะ เ, เลี้ยงนะเลี้ยง เลี้ยงศัตรูไว้ในใจเราเราเลี้ยงความโกรธเราเลี้ยงความเกลียดเราเลี้ยงความความเครียดเอาไว้ในใจเราเรามั่จะบอกว่าเรารักตัวเองเรารักตัวเองนะถามนักเรียนทุกคนนักเรียนก็บอกว่ารักตัวเองแต่เคยสงสัยมไหมว่าเออทําไมเราเราชอบเลี้ยงความโกรธความเกลียดเอาไว้ เลี้ยงความโลภไปในใจเวลาโกรธใครเวลาเกลียดใครแทนที่จะพยายามดับความโกรธความเกลียก็ปล่อยให้มันเผาใจปล่อยให้มันทิ่มแทงใจพอโกรธอเกลดแล้วทาํางมันก็สั่งให้เราดา่ามันสั่งให้เราทุบตีต่อยตีเพื่อนบางทีถึงแบบทำร้ายพ่อแม่ ทกตีพ่อแม่บาปไหไอทําไมเราถนงําบาปนะก็เพราะว่าปล่อยให้ความกลัวความเกลียดความชั่วร้ายมันคลองใจไอ้วพวกนี้เนี่ยมันเป็นอันตรายนะต่อชีวิตจิตใ จ, จของเราถ้าเรารักตัวรักตัวเอง เ, เราต้องไม่ไม่ปล่อยให้มันคลองใจเราไม่ปล่อยให้มันมายึดจิตใ จ, จเราเอาไว้ ต้องไล่มันออกไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยคนชั่วเนี่ยคนพาลเนี่ยคนพาลปัญญาสามหรือคนโง่ก็ได้นะทําย่อมทากับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูคนพาลคนโง่เนี่ยทํากับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูหมายเขาอย่างไรก็หมายเขาว่าเป็นผิดศีลนั่งล่ะ ไปทําร้ายไปโกหกบ้างละอันเนี้คือการทําร้ายตัวเองเพราะว่ามันทําให้เกิดเรื่องเดือนอร้อนใจในภายหลังที่จึงไม่ต้องรอให้มันเดือนอร้อนใจภายหลังนะแค่เรามีความโกรธความเกลียดนี่มันก็มันก็ทุกข์ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะถ้าเรารักตัวเองแนะล้วก็พยายามรักษาใจนะอย่าให้ใหอารมณ์พวกนี้เนี่ยมันเข้ามา คลองงำจิตใจเราต้องหาทางสกัดไม่ให้มันเข้ามาหรือถ้ามาเข้ามาแล้วก็ต้องขับไล่มันออกไปเป็นตัางสติให้ได้หรือว่าเราถึงพัฒนาใจนะเอาพุโทโธจิตกำลังพุโทโธเนี่ยเวลาโปรนี่ให้เอาพุโทโธเป็นที่พึ่ง หรือมแต่เวลาเจ็บเวลาปวดนี่ก็ใช้พุทโธได้นะน้องไอซ์อายุสี่ขวบนะอะนะันะพกพุทธเธ อ, อยังไม่รู้จกนะักน้องไอซ์แต่ว่าฟังเอาไวนะ้น่าสนใจน้องไอายเนี่ยอายุสี่ขวบวันหนึ่งดีใจอารมณ์ดีนะวิ่งนะวิ่งไปชนประตูกระจกประตูนะมันไม่ไดไม้เป็นกระจกนะแกนึกว่าประตูเปิดอยู่เลยวิ่งออกไปแล้วก็ไปชนกระจก เห็นดังตึง้งแม่ได้นเสียงน้องไอร้องก็รีบวิ่งมาเห็นน้องไอ้ก็จะไปกอดเอาไว้เพื่อปลอบน้องไอ้จะได้ไม่ปวดน้องไอเห็นแม่กำลังวิ่งเข้ามาก็ยกมือบอกไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยน้องไอ้นั่งสมาธิความปวดก็จะหายไปน้องไอฉลาดนะ ปวดเนี่ยก็รู้ว่าถ้าปวดเนี่ยรู้ว่านั่งสมาธิจะหายสมาธิมันทําให้ลืมปวดได้อันนี้น้องไอเป็นคนฉลาดนะรู้ว่าสมาธิเนี่ยมันมีประโยชน์น้องไอแทนที่จะโกรธประตูแทนที่จะเตะประตูแทนที่จะทุบ ก, กระจกนะเพราะว่ามันทำให้ฉันปวดน้องไอกลับมานั่งสมาธิเพราะว่าจิตที่เป็นสมาธิก็จะ ความปวดก็ทำอะไรไม่ได้อันนี้เราเป็นคนมีวิชานะความปวดจะน้อยอาจจะยังอ่านหนังสือไม่ออกนะแต่ว่ามีมีวิชา ว, วิชารักษากายใจด้วยใช้สมาธิเวลามีความเดือดร้อนใจต้องพยายามรักษานะพยายามรักษาใจอย่าให้มันเข้ามาเร่งงานเราเวลาปวดก็ใช้สมาธิดูบ้าง ยาก็ใช้นะแต่สมาธิก็อย่าลืมยาเนี่ยมันรักษากายแต่ว่าสมาธิรักษาใจละละเราปวดเนี่ยไม่ได้ปวดจากกายปวดใจด้วยที่พอเราใช้สมาธนะิใจก็หายปวดมันก็ปวดจากกายแต่คันนี้มันก็จะน้อยลงแล้วแต่บางทีเราต่อ เ, เป็นทุกข์เพราะความโกรธนะปาวานเนี่ยอายุประมาณสี่ขวบวันหนึ่งโดนแม่ว่าโอ้ดิปาวาก็จะเถียงแม่ ก็จะไม่พอใจแม่พอไม่พอใจก็ว่าแม่เสียงแม่แต่วันนี้ปวานไม่เสียงเงียบแม่ว่าเสร็จปวานก็เดินออกไปแม่ก็แปลกใจทําไมปวานไม่เสียงปวานทําอะไรเนี่ยเดินตามปวานไปแล้วถามว่าปวานทําอะไรปรวานตอบว่าไงรู้ไหมปวานบอกว่าผมจะ ไ, สจะไปสงบสติอารมณ์ครับนะ ประวันรู้ว่าตอนนี้กําลังโกรธไม่พอใจแล้วประวันก็รู้ว่าความโกรธจะไม่ทําให้ทุกข์แล้วประวันก็รู้ว่าจะต้องทําให้ความโกรธหายไปทไไํายังไงก็ไปสงบสติอารมณ์นี่เป็นวิสัยคนที่รักตัวเองนะคนที่รักตัวเองเนี่เขาจะพยายามไม่ให้ความโกรธเข้ามาเร่งงานจิตใจ เขาจะพยายามทาให้เพยายามรักษาใจให้สงบไปสงบสติอารมณ์นะนี่คือคนที่รักตัวเองคนที่ไม่รักตัวเองเนะี่ยก็จะเตะเข้าของทําลายเข้าของหรือว่าด่าด่าแม่ด่าแม่ต่อ ว, ว่าแม่แต่แล้วเป็นไงก็เดือดร้อนเลยของที่คว้างปลาไว้ก็เสียบางทีไปเตะเตะโทรศั์ทางเนี่ยเดือดร้อนนะเดือดร้อนอันนี้เราไม่รักตัวเอง นะคุณชักตัวเองนี้เขเวลามีความทุกข์เขจะพยายามระงับความทุกข์ด้วยใจตัวเองด้วยสมาธิเวลาเวลาบวดเวลาเจ็บนะเขาก็จะมีของดีนะก็คือสมาธิรักษารักษาความปวดได้แล้วเวลามีอันตรายนะก็จะสายสมาธิสายสติอตาศัยพระธรรมทัยนี่แหละช่วยคุ้มครองรักษาจิตใจและชีวิตให้ปลอดภัยก็ก็ให้เรานะ รู้จักของดีนี่ไว้นะแล้ว เ, เอาไปใช้ติกตัวไว้เอาละก็พูดกันเท่านี้จัดนะ